แสดงหมวด4่แห่งยานความรู้ที่หนึ่งข้อ390หน้า249ริกพิสุเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวอย่างไรคือพิสุเมื่อหายใจเข้ายาวชื่อว่าย่อหายใจเข้าในขนาที่นับว่ายาวเมื่ อ, า อ, ห, อ, อ, าอาหายใจออกยาวชื่อว่าย่อหายใจออก ในขณะที่นับว่ายาวเธอย่อมระบายเข้าบ้างระบายออกบ้างซึ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกยาวในขณะที่นับว่ายาวฉันทะย่อมเกิดแก่วิสุขเมื่อระบายเข้าบ้างระบายออกบ้างซึ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกยาวในขณะที่นับว่ายาวเมื่อหายใจเข้ายาวละเอียดกว่านั้นด้วยสามารถฉันทะ ชื่อว่าย่อมหายใจเข้าในขณะที่นับว่ายาวเมื่อหายใจออกยาวละเอียดกว่านั้นด้วยสามารถฉันทะชื่อว่าย่อมหายใจออกในขณะที่นับว่ายาวเธอย่อมระบายเข้าบ้างระบายออกบ้างซึ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกยาวละเอียดกว่านั้นด้วยสามารถฉันทะในขณะที่นับว่ายาวความปราโมท ย่มเกิดเกินแก่พิสุผู้เมื่อระบายเข้าบ้างระบายออกบ้างซึ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกยาวละเอียดกว่านั้นด้วยสามารถฉันทะในขณะที่นับว่ายาวเมื่อหายใจเข้ายาวละเอียดกว่านั้นด้วยสามารถความปราโมทชื่อว่าย่อมหายใจเข้าในขณะที่นับว่ายาวเมื่อหายใจออกยาวละเอียดกว่านั้นด้วยสามารถ ความปราโมทชื่อว่าย่อมหายใจออกในในขณะที่นับว่ายาวเธอย่อมระบายเข้าบ้างระบายออกบ้างซึ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกยาวละเอียดกว่านั้นด้วยสามารถความปราโมทในขณะที่นับว่ายาว <c oughs> จิตของวิสุผู้เมื่อระบายเข้าบ้างระบายออกบ้างซึ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกยาวละเอียดกว่านั้น ด้วยสามารถความปราโมทในขณะที่นับายาวย่อมหลีกออกจากการหายใจเข้าหายใจออกยาวอุเบกขาย่อมตั้งอยู่กายคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกยาวด้วยอาการเก้าอย่างนี้ย่อมปรากฏสติเป็นอนุปัสนาญาณกายปรากฏไม่ใช่สติสติปรากฏด้วย เป็นเครื่องระลึกด้วยพิสุพิจนากายนั้นด้วยสตินั้นด้วยญาณ น, นั้นดังนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าสติปัฏฐานภาวนาคือการพิจรณาเห็นกายในกายข้อ391หน้า250คําคำว่าพิจารณา ความว่าบุคคลพิจารณาเห็นกายนั้นอย่างไรพิจารณาโดยความไม่เที่ยงไม่พิจารณาโดยความเที่ยงพิจารณาโดยความเป็นทุกข์ไม่พิจารณาโดยความเป็นสุขพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาไม่พิจารณาโดยความเป็นอัตตาย่อมเบื่อหน่าย ไม่ยินดีย่ำคลายกำหนัดไม่กำหนัดย่อมให้ราคะดับไปไม่ให้เกิดย่อมสลัดทิ้งไม่ยึดถือเมื่อพิจารณาโดยความไม่เที่ยงย่อมละนิจะสัญญาได้เมื่อพิจารณาโดยความเป็นทุกย่อมละสุขสัญญาได้เมื่อพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาย่อมละอัตตสัญญาได้เมื่อเบื่อหน่าย ย่ละความยินดีได้เมื่อคลายกำหนัดยํอละราคะได้เมื่อให้ราคะดับย่อมละสมุทัยได้เมื่อสละคืนยํอละความยึดถือได้พิสุวิจนาเห็นกายนั้นอย่างนี้ก็392้า39หน้า250คําคำว่าภาวนาได้แก่ภาวนาสี่คือ ที่ว่าภาวนาด้วยอาจว่าทำทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นไม่ร่วงเกินกันหนึ่งด้วยอาจว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีกิจเป็นอันเดียวกันหนึ่งด้วยอาจว่านําไปซึ่งความเพียรอันสมควรแก่ความที่ทำทั้งหลายไม่ร่วงเกินกันและความที่อินทรีย์ทั้งหลายมีกิจเป็นอันเดียวกันหนึ่งด้วยอาจว่าเป็นที่เสพหนึ่ง เมื่อรู้ความวิจ in ิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถลมหายใจเข้าลมหายใจออกยาวเวทนาจึงปรากฏขึ้นปรากฏเข้าไปตั้งอยู่ปรากฏซึ่งความดับไปสัญญาย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเข้าไปตั้งอยู่ปรากฏซึ่งความดับไปวิตกย่อมปรากฏขึ้นปรากฏเข้าไปตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไป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 พราะตัณหาเกิดเวทนาจึงเกิดเพราะกรรมเกิดเวทนาจึงเกิดเพราะผัสะเกิดเวทนาจึงเกิดแม้เมื่อเห็นลักษณะแห่งความเกิดความเกิดแห่งเวทนาก็ย่อมปรากฏความเกิดขึ้นแห่งเวทนาย่อมปรากฏอย่างนี้ความเข้าไปตั้งอยู่แห่งเวทนาย่อมปรากฏอย่างไร คือเมื ad, u, pai, ่อมนสิการโดยความไม่เที่ยงความเข้าไปตั้งอยู่โดยความสิ้นไปย่อมปรากฏเมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์ความเข้าไปตั้งอยู่โดยความเป็นภัยย่อมปรากฏเมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตาความเข้าไปตั้งอยู่โดยความว่างเปล่าย่อมปรากฏความเข้าไปตั้งอยู่แห่งเวทนาย่อมปรากฏอย่างนี้ ความดับไปแห่งเวทนาย่มปรากฏอย่างไรคือความดับไปแห่งเวทนาย่มปรากฏด้วยอัดว่าเพราะปัจจัยดับว่าเพราะอวิชชาดับเวทนาจึงดับเพราะตัณหาดับเวทนาจึงดับเพราะกรรมดับเวทนาจึงดับเพราะผลสะดับเวทนาจึงดับแม้เมื่อเห็นลักษณะความแปรปรวนไปความดับไปแห่งเวทนา ก็ย่อมปรากฏความดับไปแห่งเวทนาย่อมปรากฏอย่างนี้เวทนาย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเข้าไปตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปอย่างนี้ข้อสามร้อก้าิบสหน้าสอง้ห้าสิบเอ็ดสัญญาย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเข้าไปตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปอย่างไร ความเกิดขึ Dee, ้นแห่งสัญญาย่อมปรากฏอย่างไรคือความเกิดขึ้นแห่งสัญญาย่อมปรากฏด้วยอธว่าเพราะปัจจัยเกิดว่าเพราะอวิชชาเกิดสัญญาจึงเกิดความเกิดขึ้นแห่งสัญญาย่อมปรากฏอย่างนี้ความเข้าไปตั้งอยู่แห่งสัญญาย่อมปรากฏอย่างไรคือเมื่อวนาจิการโดยความไม่เที่ยง ความเข้าไปตั้งอยู่โดยความสิ้นไปย่อมปรากฏความเข้าไว้ตั้งอยู่แห่งสัญญาย่อมปรากฏอย่างนี้ความดับไปแห่งสัญญาย่อมปรากฏอย่างไรคือความดับไปแห่งสัญญาย่อมปรากฏด้วยอัจว่าเพราะปัจจัยดับว่าเพราะอวิชาดับสัญญาจึงดับความดับไปแห่งสัญญาย่อมปรากฏอย่างนี้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 เพราปัจจัยเกิดว่าเพราะอวิชชาเกิดวิตกจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดวิตกจึงเกิดเพราะกรรมเกิดวิตกจึงเกิดเพราะสัญญาเกิดวิตกจึงเกิดแม้เมื่อเห็นลักษณะความเกิดความเกิดขึ้นแห่งวิตกก็ย่อมปรากฏอย่างนี้ความเข้าไปตั้งอยู่แห่งวิตกย่อมปรากฏอย่างไร คือเมื่อมนศิการโดยความไม่เที่ยงความเข้าไปตั้งอยู่โดยความชินไปย่อมปรากฏเมื่อมนศิการโดยความเป็นทุกข์ความเข้าไปตั้งอยู่โดยความเป็นภัยย่อมปรากฏเมื่อมนัิการโดยความเป็นอนัตาความเข้าไปตั้งอยู่โดยความว่างเปล่า ย, ย่อมปรากฏความเข้าไปตั้งอยู่แห่งวิตกย่อมปรากฏอย่างนี้ความดับไป แห่งวิตกย่อมปรากฏอย่างไรคือความดับไปแห่งวิตกย่อมปรากฏด้วยอัจว่าเพราะปัจจัยดับว่าเพราะอวิชชาดับวิตกจึงดับเพราะตันหาดับวิตกจึงดับเพราะกรรมดับวิตกจึงดับเพราะสัญญาดับวิตกจึงดับแม้เมื่อเห็นลักษณะความแปลผันไปความดับไปแห่งวิตกก็ย่อมปรากฏ ความดับไปแห่งวิตกย่อมปรากฏอย่างนี้วิตกย่อมปรากฏเกิดขึ้นปรากฏเข้าไปตั้งอยู่ปรากฏถึงความดับไปอย่างนี้ก็396้อยเกหน้า252้อบุคคลรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถลมหายใจเข้าลมหายใจออกยาวย่อมยางอินทรีย์ทั้งหลาย ให้ประชุมลงรู้จักโคจรและแทงตลอดทำอันเป็นประโยชน์คือความสงบคำว่า ย, ย่อมอย่างอินทรีย์ทั้งหลายให้ประชุมลงความว่าบุคคลย่อมอย่างอินทรีย์ทั้งหลายให้ประชุมลงอย่างไรคือบุคคลย่อมอย่างสัตว์อินทรีย์ให้ประชุมลงด้วยความน้อมใจเชื่ออย่างวิรยอินทรีย์ ให้ประชุมลงด้วยความประคองไว้ยังสตินซีให้ประชุมลงด้วยความเข้าไปตั้งไว้ยังสมาธินซีให้ประชุมลงด้วยความไม่ฟุง้งซ่านยังปัญญินซีให้ประชุมลงด้วยความเห็นบุคคลนี้ยังอินรีย์เหล่านี้ให้ประชุมลงในอารมณ์นี้ดังนี้เพราะเหตุ น, นั้นท่านจึงกล่าวว่าย่อมยังอินทรีย์ยทั้งหลาย ให้ประชุมลงคําว่ารู้จักโครจรความว่าอะไรเป็นอารมณ์แห่งธรรมนั้นรู้จักโครจรแห่งอารมณ์นั้นอะไรเป็นโครจรแห่งธรรมนั้นรู้จักอารมณ์แห่งโครจร น, นั้นคําว่ารู้ชัดได้แก่บุคคลความรู้ปัญญา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 ทำอันประเสริฐเป็นประโยชน์คำว่าแทงตลอดความว่าแทงตลอดความที่อารมณ์ปรากฏแทงตลอดความที่จิตไม่ฟุ้งซ่านแทงตลอดความที่จิตตั้งมัน่นแทงตลอดความที่จิตส่องแผ่วเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าและแทงตลอดทำอันเป็นประโยชน์คือความสงบ ข้อ397หน้า2องราคำว่าย่อมยังพระทั้งหลายให้ประชุมลงความว่าย่อมยังพระทั้งหลายให้ประชุมลงอย่างไรคือบุคคลย่อมยังศรัทธาพระให้ประชุมลงด้วยความไม่หวั่นไหวไปในความไม่มีศรัทธาอย่างวิริยะพระให้ประชุมลงด้วยความไม่หวั่นไหวไปในความเกียจคร้าน ยังสติภละให้ประชุมลงด้วยความไม่หวั่นไหวไปในความปรามาทยังสมาธิภละให้ประชุมลงด้วยความไม่หวั่นไหวไปในอุทธัจจะยัยงวัญญาภละให้ประชุมลงด้วยความไม่หวั่นไหวในอวิชชาบุคคลนี้ย่อมยังภละเหล่านี้ให้ประชุมลงในอารมณ์นี้ดังนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า ย่อมยางพลระทั้งหลายให้ประชุมลงคำว่ารู้จักโคจรเพราะเหตุ น, นั้นท่านจึงกล่าวว่าและแทงตลอดทำอันเป็นประโยชน์คือความสงบข้อ398หน้า254คําคำว่าย่อมยางโคจรทั้งหลายให้ประชุมลงความว่า บุคคลย arts, ín, like ่อมยังโพชงทั้งหลายให้ประชุมลงได้อย่างไรคือบุคคลย่อมยังสติสามโพชงให้ประชุมลงด้วยความเข้าไปตั้งไว้อย่างธรรมะวิจยะโพชงให้ประชุมลงด้วยความเลือกเฟ้นอย่างวิริยะสามโพชงให้ประชุมลงด้วยความประคองไว้อย่างปีติสาโพชงให้ประชุมลงด้วยความแผลซ่านไป ย่างปัจจุบสามพุชงให้ประชุมลงด้วยความสงบอย่างสมาธิสามพุชงให้ประชุมลงด้วยความไม่ฟุง้งซ่านย่างอุเบกขาสามพุชงให้ประชุมลงด้วยความพิจารณาบุคคลนี้ย่อมย่างพชงทั้งหลายให้ประชุมลงในอารมณ์นี้ดังนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าย่อมอย่างพชงทั้งหลายให้ประชุมลง คำว่ารู้จักโคจรเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าและแทงตลอดทำาอนเป็นประโยชน์คือความสงบข้อรก 99, หน้า254คําคำว่าย่อมยังมักให้ประชุมลงความว่าบุคคลย่อมยังมักให้ประชุมลงอย่างไรคือบุคคล ย่อมย่างสัมมาทิฏฐิให้ประชุมลงด้วยความเห็นอย่างสัมมาสังกปะให้ประชุมลงด้วยความดําริอย่างสัมมาวาจาให้ประชุมลงด้วยความกำหนดอย่างสัมมากรรมตะให้ประชุมลงด้วยเหตุที่เกิดขึ้นดีอย่างสัมมาชีวะให้ประชุมลงด้วยความผ่องแผ้วยังสัมมาวิยามะให้ประชุมลงด้วยความประคองไว้ ยังสมาสติให้ประชุมลงด้วยความเข้าไปตั้งไว้ยังสมาสมาธิให้ประชุมลงด้วยความไม่ฟุง้งซ่านบุคคลนี้ย่อมยังมักนี้ให้ประชุมลงในอารมณ์นี้ดังนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าย่อมยังมักให้ประชุมลงคําว่ารู้จักโคจร เพราะหนั้นท่านยิงกล่าวว่าและแทงตลอดทำอันเป็นประโยชน์คือความสงบข้อ400หน้า255คาว่าย่อมยังทำทั้งหลายให้ประชุมลงความว่าบุคคลย่อมยังทำทั้งหลายให้ประชุมลงอย่างไรคือบุคคลย่อมยังอินทรีย์ทั้งหลายให้ประชุมลงด้วยความเป็นใหญ่ อย่างวลาทั้งหลายให้ประชุมลงด้วยความไม่หวั่นไหวอย่างโพชมทั้งหลายให้ประชุมลงด้วยความเป็นธรรมเครื่องนาออกอย่างมักให้ประชุมลงด้วยความเป็นเหตุอย่างสติปัฏฐานให้ประชุมลงด้วยความเข้าไปตั้งไว้ยังสมมาปัฏฐานให้ประชุมลงด้วยความเริ่มตั้งอย่างอิธิบาทให้ประชุมลงด้วยความให้สาเร็จ อย่งศักจะให้ประชุมลงด้วยความถ่องแท้อย่างสมัชให้ประชุมลงด้วยความไม่ฟุ้งซ่านอย่างวิปัสสนาให้ประชุมลงด้วยความพิจารณาเห็นอย่างสมัชและวิปัสสนาให้ประชุมลงด้วยความมีกิจเป็นอันเดียวกันอย่างทำเป็นคู่กันให้ประชุมลงด้วยความไม่ร่วงเกินกันอย่างศีลวิสุทธิ ให้ประชุมลงด้วยความสำรวมอย่างจิตตะวิสุทธิให้ประชุมลงด้วยความไม่ฟุ้งซ่านอย่างทิฏฐิวิสุทธิให้ประชุมลงด้วยความเห็นอย่างวิโมกให้ประชุมลงด้วยความหลุดพ้นอย่างวิชาให้ประชุมลงด้วยความแทงตลอดอย่างวิโมติให้ประชุมลงด้วยความสละรอบ ยังยานในความสิ้นไปให้ประชุมลงด้วยความตัดขาดอ ย, ย่างยานในความไม่เกิดขึ้ในให้ประชุมลงด้วยความสงบระงับอย่างฉันชะให้ประชุมลงด้วยความเป็นมูลเหตุอย่างมนติการให้ประชุมลงด้วยความเป็นสมุดฐานอย่างผัสจะให้ประชุมลงด้วยความเป็นที่ประชุมอย่างเวทนา ให้ประชุมลงด้วยความเป็นที่รวมอย่างสมาธิให้ประชุมลงด้วยความเป็นประ ouais ธานอย่างสติให้ประชุมลงด้วยความเป็นใหญ่อย่างสติสามัญญาให้ประชุมลงด้วยความเป็นธรรมที่ยิ่งกว่านั้นอย่างวิมุตติให้ประชุมลงด้วยความเป็นสาระอย่างนิพพานอันยังลงในอรมตะให้ประชุมลง ด้วยความเป็นที่สุดบุคคลนี้ย่อมยังทำเหล่านี้ให้ประชุมลงแนวอารมณ์นี้ดังนี้ประเตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าย่อมยังทำทั้งหลายให้ประชุมลงคำว่ารู้จักโคจรความว่าอะไรเป็นอารมณ์แห่งธรรมนั้นรู้จักโคจรแห่งธรรมนั้นอะไรเป็นโคจรแห่งธรรมนั้น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 แทงตลอดความนิจิตตั้งมัน่นแทงตลอดความนิจิตผ่องแพ้วเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าและแทงตลอดทำอันเป็นประโยชน์คือความสงบ